ทีนี้ถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าสภาพที่เขาทำธรรมะที่เกิดร่วมกันกับตนให้ให้ใสเนี่ยก็ทำให้มองเห็นบอกว่าเออสภาพภัสสะถ้าเคยเกิดร่วมกับศรัทธาสะเวทนาสัญญาเจตนาเอากคตาชีวิตินสีมณัสสิการวิตกวิจารอธิโมกวิริยปิติฉันทะอัญญสมาณาเจตสิกเหล่านี้ถ้าเคยเกิดร่วมกันกับศรัทธาจะมีสภาพที่ใส และจะเป็นสภาพที่คล้อยตามต่ อ, อกุศลได้ง่ายได้สะดวกเพราะถูกศรัทธานั้นทําความใสให้ปรากฏแล้วนี้เพราะภาษาเวทนาของเราท่านทั้งหลายไม่ค่อยได้สัมผัสสัตทินรีที่แท้จริงมันถึงเป็นแบบเนี้มันจึงน้อมไปในอกุศลได้ง่ายมันจึงน้อมไปในการที่จะสัมผัสไปเสวยรสของอกุศลได้ง่ายมากเพราะมันยังไม่เคยไปเกลือกกลัว้วไม่ไปคบบัณฑิตไม่ไปคบสัตทินรีและสัตทินรียพา น, นําล่อง ปักแน่นในสัตย์ยวัตุหรือในคุณของพระเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของป ร, ร, ริยส่รร์ในคุณของศรริคาสัพหรือไปเห็นตามความเป็นจริงว่าปฏิจจะเป็นอย่างนี้มนยังไม่เคยศรัท ธ, ธาใสาแจ๋วกลยเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเช่นศรัท ธ, ธาในศีลเนี่ยยก ศ, รร ศ, รรศรรีลและศิขาขึ้นมาด้วยกรณีเห่งเราท่านทั้งหลายไม่เคยเดินพัฒนาโกฏดศีล ทั้งที่เจตนาศสียนเจรสิกสังวรอวิติกะมาที่เป็นปฏิโมกสังวรสียเป็นต้นเนี่ยประชุมในกระแสขันได้ให้ชัดชั ด, ชดจนมีศรัทธาเข้าไปเห็นจริงไปเข้าใจจริงๆริงพวกภาษาเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นที่ไปเกิดร่วมกันกันกบกุศลศีลเหล่านั้นเน่ยแล้วก็มีสัตทินรีนำหน้าอย่างนั้นเน่จะใสขนาดไหน พอมีความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงแล้วว่ากุศลศีลเหล่านี้ที่พระบรมศาสดาได้ประทานเขาไว้เนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่ทําให้สัตว์ทั้งหลายนั้ น, นพ้นจากอบายภูมิและพ้นจากวัตรทุกข์ได้ด้วยอาการอย่างนี้ว่าเป็นทางดําเนินของภระิยะทั้งหลายที่ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เขาเห็นอย่างนั้นเพราะเคยเกิดและเกิดกับเขาและเขาก็สภาพของภาษาเวทนาทั้งหลายก็เกิดร่วมกับกุศลศีลสัตว์เทนซีก็ ไปเชื่อมั่นในกุศลศีลตัวศีลสิกขาน่ะเป็นอธิศีลสิกขาจนชัดเจนว่าไม่วันไหวใช่ไมไม่มีลาบสกาลาเป็นที่สุดไม่มียศเป็นที่สุดไม่มีอวัยวะไม่มีญาติไม่มีญาติไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดไม่มีชีวิตเป็นที่สุดศีลเหล่าเนี้เป็นไทยไหมไม่เป็นธาตุเป็นไปเพื่อเบื่อนายครายกำหนัดเป็นไปเพื่อตัสรู้เป็นไปเพื่อปลิญญิพานเนี่ยศีลอย่างเงี้ยไม่เห็นทั้งที ไม่สามารถประชุมกุศลสีลเหล่านี้ลงในกระแสขันได้สักทีถ้าประชุมอย่างนี้ได้เบ็ดเสร็จแปลว่าอะไรกุศลสีลเหล่านี้เกิดร่วมกันกับสัตทินรีสัตทินรีจึงเชื่อมั่นในทิศศีลสิกขามันเป็นอาการอย่างนั้นใช่ไหมที่พอไม่นั่นเบ็ดเสร็จต้อเอาอะไรสิเนี้ยอกุศนเกิดอกุศนก็เกิดเรื่อยโลภะโทสะโมหะก็ไหลเกิดอยู่เลยเพราะผัสสะไม่คุ้นเคยสัตทินรีที่แท้จริงเลย นั้นต้องให้สัตทินรีให้ผัสสาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นให้อัญญาสมาณะเจศิสิบสามเนี่ยไปประชุมกับสัตทินรีบ่อยๆสัตทินรียจะได้พานําล่องในคุณของศีลในคุณของสมาธิในคุณของปัญญานิสมาธิระดับอุปยาละอวนาไม่เคยได้สัมผัสเลยในปัจจุบนนันพบนะอดีตแต่พบมัเคยแต่มันลืมมันานเนี่ยแล้วจะเห็นคุณของสมาธิศิกขาได้อย่างไร โดยเฉพาะวิปัสนาญาณตั้งแต่นามรูปปริเฉตญาณก็ไม่ได้สัมผัดเลยแล้วจะตั้งมั่นอย่างไรเนี่ยใช่ไหมไม่ตั้งมั่นอย่างไรหรืออยู่ๆศีลก็บกพองขึ้นวิปัสนาญาณเลยก็ไม่ได้อีกใช่ไหมวิปัสนาญาณวิ่งยังไงวิ่งเพ่นเพ่นพันผ่านขึ้นมาบนความทุศีลนี่ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจให้ชัดเขาจะไรับก็อย่างเนี้ยสมมุตินี่ยเราเป็นพระเนี่ย ข้าวอยู่ในปากก็พูดได้เพราะเรากินด้วยกุศลจิตมันจะเป็นบาปได้ยังไงคิดอย่างนี้ได้กันเยอะแยะใช่ไม่ใช่ก็กุศลมันเดินได้คนชั่วเขาก็ทําบุญทําอะไรได้สลับค้าเขาได้ทั้งนั้นทีนี้มันความผา่องใสมันตั้งยังไงมันตั้งได้ไม่ น, นั้นกุศลเกิดได้สลับได้ไม่ยากแต่ความ หมดจอดของกุศลศีลซึ่งจะเป็นฐานรองรับกุศลธรรมเบื้องสูงมันแตกแล้วมันแตกแล้วก็ได้แต่ผิวเผืนเผยอย่างนี้นะต้องให้เข้าใจว่าตรงเองกําลังทุศีลแล้วตรงนั้นน่ะความทุศีลมันเกิดแล้วยี่นี้เป็นต้นมันขึ้นสูงไม่ได้หรอกแต่มันเป็นกุศลชั้นธรรมดาเนี่ยได้ก็เหมือนเราจะไปถากหญ้ามันก็ได้บุญมันก็อกุศลมันก็ได้เลยนะแต่มันทุศีลขุดดินมันก็ได้บุญมันก็ได้ไอ้กุศลมันก็เกิดนะ แต่มันทุศีนแต่ฐานของกุศลเราฐานของกุศลศีนมันไม่หนานแน่นมันไม่เป็นภาชนะไม่เป็นเหมือนพื้นแผ่นดินที่รองรับกุศลธรรมเบื้องสูงมีบัตนามีสมาธิบัตนเป็นต้นถ้าบุญสรารธารณะนะนี่มันก็เป็นมันอย่างเงี้ยแต่ความทุศีลก็ปรากฏบา ป, ป บ, บาปมันก็เกิดขึ้นเขาใชยังมันเป็นบาปก็อย่างยอมวาวัดเนี่ยเอาโลภะโทสะก็เกิดบางทีก็กุศลเกิดเงี้ยนั่นแหะเนชื่อว่ากุศลศีลไม่แข็งแรง เช่นสมาทานไว้ตอนนั้นก็มีสิแต่ถ้าอากุศลจิตเกิดตอนนั้นมีปฏิโมกขังวรศีนไหมไม่มีอินทรีย์ไม่ต้องพูดถึงอาชีวะไม่ต้องพูดถึงปัจจะยะไม่ต้องพูดถึงนั่นคือภาวะความทุศีลเกิดแล้วนันทุศีนแล้วนะในอกุศลจิตเกิดเพราะเป็นอกุศลศีลอย่างนี้เป็นต้นเพราะที่สุดจริงๆก็คืออันเดียวกันนี่นิสตินรีก็มีความเชื่อในสัตยยวัตถุ ไม่มีปัญญามีความเข้าใจด้วยอาจเดินกุศลศีลได้ดีขยายอย่างแต่เนี้ยเขาเรียกตั้งมั่นตั้งมั่นในกุศลศีลตรงนี้ทีนี้สภาพที่ทําสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตนเองให้ผ่องใสผ่องใสยอย่างนี้ทีนี้ลองลองสภาพธรรมที่ภาษาเวทนาเป็นต้นเน่ยเคยได้รับการผ่องใสแล้วเนี่ยภาษาเวทนาเป็นต้นเหล่านี้จกไม่ค่อยอยากอยู่กับกลุ่มอสัตย์ยะคือความไม่มีศรัทธาเลย ยังไม่ได้ไม่อยากสัมผัสสภาพที่เป็นบาปไม่อยากเสวยกรามาคุณเพราะรสชาติมันต่างกันไม่อยากกินรสของกรามาคุณแต่อยากกินรสของกุศลศีลหรือสมาธิหรือปัญญาหรือรสของพระธรรมคุณพุทธคุณธรรมมคุณและสังฆคุณก็จะยังเพราะมันต่างกันมากรสชาติเวทนาจะถูกอบ อ, อบรมจะถูกขัดเกลามันจะไม่ชอบหรอก โลพาโทสาวโมหะมาหน้าทิฏฐิวิจิขาหีริการโนตบะอุทะจา่าถีนมิทะเขาจะไม่ชอบเลยเพราะสภาพนี้มันหยาบเวลาโลพาจะเกิดเขาถึงรังเกียจบาปไนงะเขารังเกียจบาปมากขยานขยงมากเลยบาปเนี่ยนะงอหนีหลีกหนีใจไม่น้อมหาเลยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเราอบรมสัตทินรียได้กิจจารสัก ข, ของสัตทินรีไม่แข็งแรงใช่ไหมไม่ค่อยได้ทํากิจ เพราะถ้าสัตทินรีหรือศรัทธาทำกิจเนี่ยเขาจะทําสภาวธรรมที่เกิดร่วมไอ้กลุ่มอัญญสมานะนี่สําคัญมากแล้วจะดึงยังไงทํำยังไงที่จะอบรมบุคคลเหล่าเนี้ยหรือกลุ่มสภาวธรรมเหล่านี้ยให้เขามีสภาพที่ผ่องใสก็ต้องให้เขาครบศรัทธาทีนี้ถ้าเขาไปครอบกลุ่มอสัตยยะคือความไม่มีศรัทธาทั้งหลายหรือไปครบกับปฏิรูประการศรัทธาศรัทธาเทียมเนีย เพราะปฏิรูปประกาศศรัทธาในแก่มิจฉาทิมโมกก็คืออธิมโมกเจรสิกไปทํากิจคายศรัทธาก็อีกางเดยว น, นี้แต่เกิดร่วมกับในอกุศลยุ่งแล้วเดี๋ยวนี้พวกนี้เขาก็ตัดสินใจเขาก็สละเขาก็เชื่อใช่ไหมเพราะอาธิมโมกเนี่ยโอ้โหน้อมใจเชื่อเลยของเขาก็เชื่อเลยเลยจะเชื่อนี้ไม่ใช่สัตย์เยวะถุกซะเนี่ยเป็นอาสัตย์ยวตถุ วัตถุที่มีคนเชื่อซะนี่เช่นสาวกเดรัธีเป็นต้นนี่ก็ไปเชื่อผิดกิจระศาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความเด็ดเดี่ยวเองใ น, นสภาพของสัตทินรีเนี่ยเด็ดเดี่ยวในชั้นของคำสอนนะในประมาตทีบณีดีกาท่านกล่าวเขาไว้บอกว่าศรัทธาเนี่ยย่อมทรงไว้หรือดำรงคุณทั้งหลายของพระเจ้า เป็นต้นนอาไว้ไว้ด้วยดีทรงคุณทรงพระพุทธคุณไว้ในใจอย่างดีทรงพระธรรมคุณไว้ในใจอย่างดีทรงพระสังฆคุณไว้ในใจอย่างดีทรงศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทรงคําสอนไว้อย่างดีทรงคุณธรรมทั้งหลายไว้อย่างดีทรงศิกขาสามไว้อย่างดีในกระแสะใจเลยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ทรงไว้ด้วยดีนั่นแหละชื่อว่าศรัทธาเหมือนน้ําที่นิ่ง แล้วก็น้ําใสน้ํานิ่งด้วยใสด้วยสะอาดด้วยเนี่ยนะก็ทรงรูปนิมิตของพระจันทร์พระอาทิตย์ไว้ใช่ไหมน้ํานิ่งๆอะ่ะเคยเห็นไหมน้ํานิ่งๆน้ําใสๆเนี่ยเวลารูปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาปุ๊บเนี่ยเขาจะทําให้รูปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์น่ะนิ่งใสชัดแต่ถ้าน้ํากับเพื่อมเป็นไงเนี่ยไม่ได้ศรัทธาจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ ตอนนี้ก็แล้วคุณของพราเจ้าหายจากใจไปตั้งแต่เมื่อะไหร่ก็ไม่รู้นี่หรือทรงไว้นี่หรือทรงไว้กําลังศึกษาฟังพระธรรมคําสอนอยู่ดีๆแท้ๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทรงไว้นี่นะ่นี่คือสภาพที่ทรงไว้เท่นั้นถ้าหากว่าสภาพที่ทรงไว้แปลว่านิ่งใสน้ํำใช่ไหมก็จะทรงรูปนิมิตของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไว้ได้รูปนั่นเอง งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไว้ได้ที่ใจที่ใสใจที่ผ่องใสเนี่ยก็จะทรงคุณธรรมคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและศีกขาสามเชื่อขันธะอริยธรรมเชื่อว่าเคยมีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ในอดีตเชื่อเชื่อว่ากรรมที่กําลังทําอยู่อย่างเนี้จะเป็นไปอย่างการได้ขันธะอริยธรรมในอนาคตอีกเยอะเนี่ยเชื่อเชื่อทั้งอดีตและอนาคต เชื่อเป็นความเป็นไปของปฏิจจสมุปาธรรมเนี่ยว่าเป็นธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลกันนี่นเชื่อแปดอยา่างสนาญาณกังขาวิตรนราวิสุทธิเอาไปเชื่อมกันนี่เป็นอย่างงี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเชื่อคําสอนนะ่ะเชื่อคําสอนจริงๆเชื่ออย่างไม่งมงายด้วยเนี่ยนะเพราะสัตว์ทยะวัตถุเป็นอย่างนี้คือเด็ดเดียวเองนั่นแหละสัทธานะั้นย่อมทรงไว้ดํารงไว้คุณของพระพุทธเจ้า สธานในที่นี้หมายถึงความเชื่อเลื่อมใสที่เป็นไปโดยไม่มีความขุนมัวในสิ่งที่ควรเชื่อมีพุทธเจ้าเป็นต้นนะนะส่วนความเชื่อที่เป็นไปโดยความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเนี่ยของพวกเดรัจฉิทั้งหลายนั้นเป็นอสัตยวัตถุเป็นศรัทธาเทียมเป็นมิจฉาทิโมกอันนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่ความใสมเพราะไม่ใช่ทรงคุณที่แท้จริงก็ว่าไม่ใช่ทรงคุณที่แท้จริงก็ว่าทีนี้ถ้าออว่าเรามองมองในคำสอนอีกอย่างหนึ่งว่าศรัทธาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าตนเองเด็ดเดียวยการเชื่อเด็ดเดียวเองถ้าออว่า ถ้าสัตทินรีเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาเด็ดเดี่ยวมากแล้วก็ทําให้ธรรมที่เกิดพร้อมกันตนนั้เด็ดเดี่ยวในสัตยวัตถุสิ่งที่ควรเชื่อมีรพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดุจทาหารกล้าลงน้ำไอตรงนี้ก็ท่านก็ไปยกมาในมิรินทปัญหานี่เรื่องยาวถ้ายกให้ยาวนี่คือเรื่องยาวนี่ตรงนี้ยคืออย่างนี้ขอถวายว่าพรใช่ไหมที่ท่านถามท่านบอกว่าศรัทธานั้นน่ะย่อมขมนิวรณ์ทั้งหลายได้ จิตที่ปราศจากนิวรณ์คือกามาฉันทาพยาบาทีน้ำมิท้าอุทะจากจกกุกุจาวิจิกิจฉาในย่อมพองสายไม่คุณมัวอุปมาเหมือนกับพระเจ้าจากักรพรรดิผู้สเสด็จดำเนินไปทางไกลพร้อมด้วยกองทัพอันนั้นก็นั่นยกตัวอย่างเรื่องแก้วมณีพอไปเห็นจอกเห็นแหนเห็นอะไรต่างๆในน้ํำพระเจ้าจากักรพรรดิมีแก้วมณีบอกให้เอาแก้วมณีไปจุ่มเนีน่ยนะพอแก้วมณีจุ่มน่ยความคุณมัวของน้ำมันหายไปฉันใดสภาพของสัตว์ทินซีก็เป็นอย่างนั้น ตัวเขาเองผ่องใสแล้วก็ทาทาสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันตัวให้ผ่องใสอีกอย่างหนึง่งมนาน้าเกษรบอกผู้เป็นบัณฑิตเห็นจิตว่าเป็นดุดน้ำาพึงเห็นว่าพระโยคาวจรผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นดุดคนเหล่านั้นพึงเห็นกิเลสทั้งหลายว่าเป็นดุดสาลายจากนั้นจะเห็นราคาโทสาโมหามานะ ทิิวิจีตฉาหีริกา ร, อ, ราอัฏฐเปาทาจาันเะน่ะเหมือนจอกแหนเหมือนสาลายก็เหมือนตะกรันเข้าใจยังว่าตอนนี้ยเราเกิดราคาโทรสามโมหามานะเป็นต้นเนี่ยทีน้ำมีท้าที่กําลังจะครอบงําอยู่เนี่ยอันนี้มันจอกแหนนมันคือสาลายเข้าใจยังมันคือสาลายมันคือจอกแหนมันคือตะกรนใช่ตะกรันรึเปล่านั่นแหละตะกรนมันขุนมัวทีนี้ กรณีของสัตทินซีเนี่ยนะเวลามันแช่ลงในใจอะ่ะพอแช่ในใจปุ๊บเนี่ยไอตะกรอนทั้งหลายมันก็หลบลงไปนอนก้นอยู่สภาพใจก็ผ่องใสเห็นไหมนั่นแหละสภาพใจที่ผ่องใสเพราะตะกรอนสงบนิ่งน้ำก็กลายเป็นน้ำใสผ่องใสไม่ขุ่นมัวชั้นใด สัตทินรียเมื่อเกิดขึ้นก็ข่มนิวรังทั้งหลายได้จิตที่ปราศจากนิวรังทั้งหลายเป็นจิตที่ปองใสไม่ขุนมัวฉันนั่นเหมือนเงินจิตและเจติสิกทั้งหลายที่ไม่มีกิเลสเขาเข้ า, เขากุ้มรุมเนะี่ยเป็นจิตที่ผ่องใสเพราะมีสัตทินรีเนะี่ยเป็นตัวสงบระงับไว้ให้ไม่ให้นิวรังกับเริ่นี่เราก็มาสังเกตสิชีวิตเราเนี่ยแล้ววั น, ว, นวันหนึ่งเราปล่อยให้ตะ ก, กรอนให้จอกให้แหนม้มไหลมาเต็มหมดเนี่ย ทำไมไม่เอาแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิจมลงไปล่ะใช่ไม่ใช่ก็เอาสัตทินรีของพระบรม ศ, ศาสดาเนี่ยเป็นเหมือนแก้วมณีของพุทธิย่อก็เอามาเกิดใช่ไหมก็มาเิกาลได้เกิดศรัทธามีความทําให้เลื่อมใสด้วยเป็นลักษณะตามปรากฏที่ดังกล่าวแล้วก็ทําให้ผ่องใสเป็นต้นดังที่ได้กล่าวเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ลักษณะของศรัทธาเนี่ยที่บอกว่าเด็ดเดียวด้วยแล้วทาตัวเองเด็ดเดียวด้วยเหมือนทหารกล้านั่นก็ยกมาในมิลินทะเหมือนกันที่บอกทหารกล้าบุคคลทั่วไปไม่กล้าที่จะลงเนี่ยกลัวจระเข้กลัวสัตว์ร้ายในน้ําทหารกล้าคนนี้เดินใบกระชักดาบหรือถ้าเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบที่ยกเมื่อวานเนี่ยที่พูดถึงภาพมาว่าเจ้ากับปปินาส์นั่นแหละศรัทธาอย่างนั้นแหละ หรือกรณีที่พายยะทารุจริยะนั่นแหละคือศรัทธาพอได้ยินว่าพระบรมศา ส, าสดาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ยอมหลับเลยนะวิ่งเงเดินทางเป็นไม่รู้กี่ยอดร้อยยี่สิบยอดเยอะแยหมดเลยนะเขามีศรัทธากันทั้งนั้นคนแบบเนี้ยน่าบรรลุหมดเลย <S <S <S <S พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเออเาไว้ก่อนยังไม่ว่างอย่างเงี้ยนะจบที่นี่จบนี่ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่า เห็นไหมกิจเจรัสาเนี่ยความชัดต่ตางกันถ้าความเด็ดเดี่ยวนี่ชัดกว่าถือว่าเป็นคุณสมบัติยังได้เลยถือว่าเขาทํากิจแบบเด็ดเดี่ยวแล้วยังได้เลยเห็นไหมกิจเจรัสะกิจจรสรสมีสองอย่างไงกิจจรสกับสัมปติรส ถ, ถ้าความไม่พองใสอาจจะเป็นกิจจรสก็ได้สมมติถ้าปรากฏเนีน่ยนะหรือสัมปติรสก็คือความบริบูรณ์ก็คือความเด็ดเดี่ยวเกินแล้วไม่ถอยหลังแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแยกอย่างเงี้ยสภาวะธรรมอย่างเี้เป็นต้น แต่ในหลักโดยมากยังไม่เห็นเงื่อนเก่าไว้นี่เอามาอาธิบายเกินนี่แต่จริงๆไม่เกินแล้รประการไม่เกินอันนี้อยู่ในหลักนีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ความเด็ดเดี่ยวเกิดแล้วใช่ไหมไม่ใช่สายอย่างเดียวแล้วความเด็ดเดี่ยวเกิดประการต่อมาก็คือว่ามีอีกมีอีกมีคำหนึ่งนะที่ท่านใช้สั์ใน ในลักษณะยี่ตกะของศรัท ธ, ธาไว้ก็คือคาว่าเ อ, าเาอ่อยดูศัพท์ก่อนนี่ยมีอี่ศัพท์หนึ่งที่ฉันใช้คำว่าสำปั ส, ปสธนาลักษณาลักษณะของศรัท ธ, ธาที่บอกว่าสำสอปักขันธนะลักษณาศรัท ธ, ธาปักขันธนะเนี่ยก็คือมีลักษณะาการแล่นไปแล่นไปเป็นลักษณะเปรียบเสมือนฝน หาใหญ่โปรอยลงมาบนภูเขาฝนตกใหญ่แล้วตอนนี้ฝนตกฝนตกข้างเหนือน้ำฝนก็จะไหลไปตามที่ลุ่มใช่ไหมทำซอกเขาห้วยละแหงทั้งหลายให้เต็มทำแม่น้ำไม่เต็มเมื่อทำแม่น้ำไม่เต็มเบ็ดฝั่งทั้งสองข้างก็เต็มแล้วขึ้นมาจะท่วมวัดแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ลักษณะอย่างเงี้ย ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้บอกว่าแม่น้ำที่เต็มเปลี่ยมก็จะไหลซาะมาตามลาดับจนถึงหมู่มหาชนทั้งหลายแล้วเมื่อไม่รู้ว่าแม่น้ำนั้นน่ะตื้นหรือลึกก็กลัวก็ยืนรีรออยู่เนี่ยยืนรีรออยู่เพราะกลัวงอย่างนี้เป็นต้นหรือกลัวจระเขย่างนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าแล่นแล่นไปสู่ทําเบื้องสูงกรณีอย่างนี้ท่านบอกว่า เมื่อลักษณะเด็ดเดียวด้วยการเด็ดเดียวก็คือการแล่นไปสู่ธรรมเบื้องสูงในการเด็ดเดียวสับตับนั้นนะ่ะนะทีนี้ถ้าถามบอกว่าเราจะไปฝั่งโน้นได้อย่างไรฝั่งนี้ก็ไม่ปลอดภัยแต่จะเดินข้ามฝั่งไปก็มีภัยเฉพาะทางที่ไปไม่มีใครกล้าสักคนเลยลีรอกันอยู่นั่นแหละสัตทินรีก็ท่านทั้งหลายตามเข้าไปเยมมาเลยพาลุยตาม มุ่งไปสู่ฝั่งที่ปลอดภัยอันนี้เหมือนการลักษณะของสัตว์ทินรียก็เรียกว่าแล่นไปสู่ธรรมเบื้องสูงเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงตอนเนี้โสดาปฏิมาคยังไม่ถึงสกาธาคามีมรรคนาคามรรคอรหัตมรรคไม่ต้องพูดถึงไม่ถึงแล้วถ้าโสดาเป็นมรรคไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้บรรลุโสดาปฏิผลก็เหลื อ, อยังไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุยังไม่บรรลุโสดาปฏิผลสกาธาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผล และยังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานของพระโสดาบันของพระสกาทาคาของพระนาคาและของพระลหันฉะนั้นลักษณะแล่นไปเนี่ยรุดเด็ดเดียวก็คือการแล่นไปสู่ธรรมเบื้องสูงด้วยอาการอย่างนี้ด้วยถ้าอย่างเราก็ยังไม่ได้แล่น้าไปหาศีรวิสุทธิเลยยังไม่ได้แล่น้าหาถึงจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมค า, ามคะ ยานทัศนวิสุทธิปฏิบัติทายานทัศน์แล้วก็ญาณทัศ น, นวิสุทธิเป็นโลกุตระยานทัศนวิสุทธิเรายังไม่ได้แล่นไปไเลยเลยก็จะเริ่มตั้งแล่นตั้งแต่วินาทีนี้เลยถ้าอย่างนี้ใช่และไม่ถอยแล้วความเชื่อที่วา่าวานถึงใช้คําว่าสาัทธาตริติโอคังอั ป, ปมาเดนะอนนาวังวิริเยานะุกนมามเจติปัญญายาปริสุทธิติบอกว่าบุคคลจะข้ามโคละได้ด้วยศรัทธา เห็นไหมโอคาคือนั่นแหละกลุ่มนิวรนทั้งหลายกลุ่มพวกกามโมคา้าพระโอคาที่โถคาวิโชคะโอคาคื อ, อคือทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิโอคาก็คือเอาวิชาความมืดมิดทั้งหลายใช่หไหมแล้วบอกว่าจะข้ามโลกียะหรือทะเลได้ด้วยความไม่ประมาทอันนอบมาอันนาวังนะ เป็นชื่อของโลกิยะมหาสมุทรถามบอกว่าสติเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์มรรคก็คือเป็นเรือนั่นเองเป็นสําเภาทองลําใหญ่ที่จะพากระแสขันท่าแตยตนะเนี่ยลอยล่องฝ่าฟันมรสุมคือโลกิยะมหาสมุทรทั้งหลายเหล่าเนี้ยนะคือจะพ้นจากกามาพบรูปประพบอรูปปพบได้เนี่ยนะจะพ้นโลกิยะภูโลภูมิโลกิยาธรรมเป็นต้นเหล่ า, น, านี้ได้ เพื่อไปถึงโลกุตรภูมิโลกุตระธรรมได้ก็นี่แหละสตินี่แหละนั่นแหละท่านถึงใช้คําว่าอั ป, ปมาเดนะอนดวังเพรางั้นแล้วก็บอกว่าวิริเย์นะดุกมามเจติบอกว่าล่วงทุก์ชะลาทุกปยาธิทุกเป็นต้นได้จนถึงมรณะทุกแล้วก็ปัญญาญาบริสุทธิ์ชติบอกจะบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้ด้วยปัญญาสรุปแล้วเนี่ยท่านสอนอะไรเนี่ย ศรัทธานำสิกขาสามเพราะเชื่อสิกขาสามแล้วเชื่อศีลสมาธิปัญญาที่พระบรมศ า, ศาสดาตรัสไว้แล้วว่าจะข้ามจากขันาธาตุอายตนะสจจะจะข้ามจากขันาธาตุอายตนะจะข้ามจากปฏิจจสมบัติได้เนี่ยเพาะสัตทินรีนี่ต่อเ น, นั้ น, นื่องสัตทินสีต้องนำสติต้องนำเวริยต้องนำปัญญาอะไรอย่างฉนั้นสัตทินรีมามาเป็นตัวชักชวนเชื่อ พอเชื่อในสัตย ว, วัตถุเชื่อในพุระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าก็กล่าวว่าธรรมคือสีขาสามบอกสีขาสามนี่จะพ้นจากปฏิจจาก็เชื่อโดยปฏิจจาสมาบาทเอาอย่างเงี้ยนี่เป็นอย่างนี้คําว่าเชื่อปฏิจสมบาบัตว่าเนี่ยปฏิจจานี่ยจะเป็นวงจร อ, อุบาทดับปฏิจจาได้พ้นทุกข์อ่ะรอบรู้ปฏิจจาได้ดับได้พ้นทุกข์อ่ะนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นศรัทธาจึงยืดไปแปดยืดไปสิบหกเลยเขายัอาอยางกรรมเพราะว่าปฏิจจารสมาบัตใช่กรรมไหม ใช่ผลของกรรมไหมก็อันเดียวกันนะก็กรรมมาศรัทธาไงนี่เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่อธิบายยุ่งเลยจะเนี่ยเพราะก็เลยต้องเชื่อมโยงให้ดูว่าหลักฐานเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวก็ต้องตามไปอีกแต่เนี่ยนะตรงนี้ก็คือว่าอุปปัฏฐานากาละปะัจจุปปัฏานะคือความไม่ขุนมัวนี่นะความบองใสในธรรมที่เกิดกันกับตนะในสัตยยถาอันควรเชื่ออันนี้เกิดขึ้นในปัญญาเขาบดีทั้งทั้งหลายนะมีความไม่ขุนมัวเป็นผลเนี่ย ความไม่คุณมัวในสิ่งที่ควรเชื่อคือคุณของพทธเจ้าเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะก็เพราะมีความเชื่อมั่นมีความเลื่อมใสนั่นเองโดยปกตินี่นะอกุสนเป็นธรรมที่มีสภาพตรงกันข้ามกับความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นอกุศนทั้งหลายเนะี่ยเป็นความคุณมัวใช่ไหมสัตทินรีเนี่ยเป็นสภาพที่มีความผ่องใสมีความผ่องใสสัตยวัตถุประทัดฐานาก็อันนั้นมีสัตทยาวตถุปเป็นเหตยดใกล้เดี๋ยวค่อยว่ากัน ทีนี้กรณีของอุปัฏฐานเนี่ยผลเนี่ยนะมออีปัจจุปรฐานเนี่ยปัจจุประฐานมีสองอย่างใช่ไหมผลปัจจุปรฐานขอไปตรงนี้สับใช้ถูกนะมาจะใช้มั่วๆกันอยู่เนะี่ย <c oughs> เขาเรียกปัจจุปรฐานปัจจุปรฐานเนี่ยโดยมากเราแปลกันว่าผลปรากฏมันแปลได้แค่นั้นนะ่ะทีนี้จริงๆก็คือว่าปัจจุปรฐานเนี่ยมื่แยกเป็นอุปัฏฐานากาละอุปัฏฐานากาลคืออาการอาการที่ปรากฏ ตอบยานปัญญาของโยคยีผู้ไข้ควรของผู้ปฏิบัติอะไรและปรากฏเมื่อลักษณะหรืออาการของสัตทินซีปรากฏในกระแสใจของผู้มีปัญญายานทั้งหลายนั่นแหละตัวสภาวะของสัตทินซีศรัทธาคือความเชื่ออะไรอะไรปรากฏในใจของท่านความไม่คุณมัวปรากฏในกระแสใจของท่านกระแสของสมาธิยานนะนะไม่ใช่ใจธรรมดาเนะ ต้องสัมมาทิฏฐิยานนะปรากฏกับสัมมาทิฏฐิยานนะความไม่คุณมัวและปรากฏความผ่องใสแห่งธรรมที่เกิดพร้อมกับกนตนในสัตยยวัตุอันควรเชื่อด้วยตัวสัตยยวัตุก็ปรากฏสภาวะธรรมที่ผ่องใสที่ไปมีสภาพของสัตยยวัตเป็นอารมณ์ก็ปรากฏในสัมมาทิฏฐิยา น, นะของท่านเข้าใจไหมสองลักษณะปรากฏคุณของพพุทธเจ้าก็ปรากฏ สัตทินรีที่ไปมีคุณของพุทธเจ้าก็ปรากฏแปลว่าตัวสัตทินรียมาเป็นอา ร, รมณปัจจัยของปัญญาของสัมมาทิฏฐานนะที่ท่านไปเพ่งที่ท่านไปไข่ควรที่ท่านไปวิจัยที่ท่านไปพิจารณ า, นานด้วยสัมมาทิฏฐานนะนี่อาการเหล่านี้ปรากฏนะเขาเรียกว่าอุ ป, ปัฏฐานากาลปัจจุบนะันะสัตทินรียปรากฏในสัมมาทิฏฐานของผู้ไข่ควรผู้ปฏิบัติทั้งหลาย คุณของพระรัตนตรยัยคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์คุณของศิกขาสามกรรมและผลของกรรมเป็นต้นปฏิจจุบภาพธรรมทั้งหลายที่ท่านใครควรนั่นแหละหรือตัวสมาธิที่เด่นชัดในใจนั่นแหละปรากฏในสมาธิทิฏยานะเพราะว่าตัวสัตว์ท่านเชื่อคนบางคนเนี่ยเชื่อเขาก็เดินนี่เห็นไหมเดินสภาพสัตตินรีก็ปรากฏท่านก็เอาศรัทธามาวิจัยโดยลักคณาทีิจจุก迦 โดยลักษณะของศรัทธาเป็นอย่างนี้ติดของศรัทธาเป็นอย่างนี้ผลอาการปรากฏของศรัทธามีสองส่วนปรากฏในยานปัญญาเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าปัจจุปถานากาลอาการละปัจจุปฐานะกาละแล้วก็ปัจจุปถานะก็คืออาการของสัตทินรียที่เขามีความผ่องใสที่เขามีความไม่ขุนมั่ว ที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยนะแห่งธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนถ้าอย่างนี้เราจะเห็นแล้วเราจะเห็นบอกว่าโอ้สภาพธรรมสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับศรัทธาก็ผ่องใสงั้นสภาพศรัท ธ, ธาก็ดีสภาพธรรมที่เกิดร่วมกันกับศรัท ธ, ธาก็ดีที่ไปมีสัตยยวัตถุเป็นอารมณ์ใช่ไหม ก, ก็เป็นสภาพที่ผ่องใสเลยอารมณมณะปัจจัยดีมากงั้นคนที่จเจริญพุทธคุณธรมมคุณสังคุณต่า ง, า ง, างๆเราเนี่ยเนี่ย ถ้ามีอารมณ์เหล่านี้ก่อนตายดีไหมโอ้โหเนี่ยต้องการยังไม่ค่อยได้อย่าลืมนะคิดถึงพุทธรูปด้วยโลภะก็ได้นะใกล้จะตายนะมีเพระพุทธรูปเป็นลมจะเป็นโลภะใช่ไหมได้ไมไเสียดายเกินจะต้องจากพระองค์เนี่ยส่วนผลอุปทานนากาละคือสภาพที่ให้ผลอันนั้นเป็นการตัดสินใจเชื่อตัวเหตุอต่อนคนเชื่อเกิดขึ้นอันนั้นเป็นผลของกิจ กิจที่ศรัทธาธรำบริบูรณ์แล้วผลก็ปรากฏใช่ไหมเมื่อศรัทธาทำกิจของท่านแล้วเนี่ยผลก็ปรากฏนี่เป็นอย่างนี้ปทัฏฐานะคือสัตยยวัถุอันควรเชื่อแล้วก็โสตาปฏิยังครับเออโสดาปฏิมากสั ป, ปุรีสูสังเสวะเนี่ยวัตถุที่ควรเชื่อก็นั่นแหละก็ความเชื่อดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเชื่อคุณของพระรัตน์ไตรเชื่อกรรมผลของกรรมในสัตยยวัถุอันควรเชื่อทั้งหลายเนะี่ย สัปปุริสังเสวะการคร บ, บ, บรุษหรือการคร บ, บัณฑิตผู้สามารถสั่งสอนสัจจะสี่บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นได้และก็สัทธธรรมสวรรคก็คือฟังธรรมะของผู้รู้ที่เกี่ยวกับอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมาโยนิสมนสิการการใส่ใจการพิจารณาด้วยปัญญาการพิจารณาสังขารธรรมด้วยปัญญาว่านิโรบารธรรมนามธรรมนี้เหตุนี้ผลเนีนี้จะทําทุกขธ ร, รรมนัตธรรมและก็นี้อสุภะลักษณะอย่างนี้เป็นโยนิสมนสิการ ธรรมาเนธรรมะปฏิปไต่ก็คือการปฏิบัติธรรมต่อสมควรแก่โลกุตละธรรมการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเริ่มต้นก็ตั้งแต่สารณาคมศีลจนถึงนั่นแหละวิบัตินายานบินไปตามลําดับตรงนี้ก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยในการเก็บอรัตนะต่างๆเหล่าเนี้เนี่ยทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมเหมือนรัตนะใช่ไหมคนมือด้วนมือขาดเก็บรัตนะได้ไหม ไม่ได้หรอกคนไม่มีศรัทธาไม่สามารถจะเก็บทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลได้เอางี้นะปฏิโมกขังวรศีในท่านัเอาคนมือด้วนเห็นรัตนะตกกับพื้นเก็บได้ไหมหมดติดเลยจะเก็บยังไงฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีศรัทธาไะแล้วศีลไม่เกิดก็ไม่ได้รัตนาคือศีลไม่ได้รัตนะคือสมาธิไม่ได้รัตนะคือปัญญาไม่ได้รัตนาก็คือวิริยะไม่ได้รัตนะคือโพชง ไม่รัตนะคือสติปัฏฐานสมะปัฏฐานอิทิบาลีนีพระละโภชงอริยมรรคไม่ได้รัต น, นะ